ด้วยทุกเขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยมันครอบงำแกก็ไขว้คว้าหาหยิบนอนหยิบนี่ไปหยิบได้วัตถุอันหนึ่งก็ยกชูขึ้นและถามหลานๆว่าเนี่ยเหรอพุทโธนี่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็แย่หน่อยเพราะฉะนั้นได้เห็นตัวอย่างและประสบการณ์มาแล้วจึงได้นำมาเป็นคติเตือนใจสาหรับบรรดาท่านทั้งหลาย